ขอ oh, ความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอสบาสังวรสูตรคือประสูดที่ว่าด้วยการละอาสวะด้วยวิธีการต่กกางๆในที่นี้เป็นปริยายแห่งธรรมเทศนาที่สูงเน้นไปในด้านการใช้สติปัญญาเหตุผล ยามสัมผัสกับอารมณ์คือไม่ได้ไปกําหนดที่ตัวอารมณ์แต่ว่าอยู่ที่การปรับสภาพจิตของเราคือสิ่งที่เราสัมผัสนั้นอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้อาจจะกลางๆ ก, ก็ได้แต่คาถามสุดท้ายคือเราคิดยังไงก็ทรงให้หลักไว้ว่ากาละอาสะวะนั้นอาจจะเกิดขึ้นด้วยโยนิสโสปนัสิการ คือการกระทำไว้ในใจโดยบายวิธีที่แยบคายก็ได้เริดเกิด ข, ขุ้นขึ้นด้วยอายนในสมมนัสิจารคือการไม่ใส่ใจไม่สนใจในเรื่องเหล่านั้นก็ได้เออคราวนี้เราจะพบว่าการสัมผัสอารมณ์โลกของมนุษย์เราเนี่ยว่าสิ่งเหล่านั้นจะผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจก็ตาม ความใส่ใจความสนใจของคนมีความสำคัญเกีย่ยสร้างรู้สึกความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นออกมาเป็นรูปของความยินดียิ น, ย น, ยนร้ายปริญาียตรงนี้ส่งเน้นไปที่การวินิจฉัยสิ่งที่เราสัมผัสว่าคุณจะใช้โยนในสมนุิการหรือใช้อายนในสวมนุิการ หรือการใช้ระบบการใส่ใจโดยอุบายวิธีที่แยบคายหรือว่าทําไว้ในใจโดยบายวิธีที่ไม่แยบคายก็วินิจฉัยที่คิดยังไงแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเจริญมากยิ่งขึ้นก็อย่าใส่ใจเรื่องนั้นแต่ถ้าไม่ใส่ใจแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นที่ เกิดขึ้นแล้วไม่เจริญเพิ่มพูนมากิ่งขึ้นก็ให้ไม่ใส่ใจในเรื่องดัง น, นั้นแล้วในสุดก็มาถึงบทสรุปที่ทรงสรุปว่าเขาไม่ใส่ใจทำที่ใส่ใจชนิดใดคือ ท, ทำชนิดใดก็าตามที่เมื่อใส่ใจเข้าอาว่าทั้งสามประการดังกล่าว ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะละเสดายอันนี้คือควรจะใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นคือใส่ใจแล้วกุศลเกิดอกุศลดับนะมันที่จริงเรามองอะไรก็ได้อย่างพระสารีบุตรประโมก พ, พลาณนะ มองคนที่แสดงมารสน บ, บนยอดแห่งภูเขาที่กรุงราชคริสในตอนก่อนท่านก็มองด้วยความกำนัดเพทย์เพลืนที่ยินดีตามบทบาทที่มีการแสดงหรืออาจจะในตัวคนหรืออาจจะในตัวเสียหรืออาจจะในท่าไรรำอาจจะเครื่องประดับแต่งตัวหรือว่าการนำเสนอในด้านต่างๆก็แล้วแต่แต่พอมาท่านมาคิดว่า มันไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วยการแสดงอย่างเพราะในที่สุดทั้งผู้แสดงแล้วก็ผู้ดูเนี่ยก็จะต้องตายจากโลกนี้ไปถ้า เ, าเกิดเบื่อหน่ายในการแสดงทั้งหมดไม่พอใจไม่ยินดีไม่เคยตบมือไม่เคยหัวเราะไม่ตบมือไม่หัวเราะไม่ยกย่องส่วนๆเวลาเขแสดงดีๆ นั่นก็แสดงว่าอารมณ์นี้แหละเคยกระตุ้นความกำหนัดความเพลิดเพลินความชื่นสุขยิแก่ท่านาแล้วพอท่านไม่ได้คิดด้วยบายวิธีที่แยกขายแต่อารมณ์นั่นแหละพอท่านคิดโดยบายวิธีที่แยกขายก็กลายเป็นจิตเบื่อหน่ายคลายกำหนัดความเสียบติดเนี่ยรวมๆนั่นแล้วก็มีพลังแรงจนถึงกับผลักดันท่านให ละทรัพย์สินเงินทองตั้งหกร้อยห้าสิบโกวตหรือผ5 0นห้ารอยล้านขาปะนะนี่จะนวนมหาศาลมากไม่จะเทียบเงินไทยนะฮะคงจะเทียบเงินอย่างน้อยก็ดอลลาร์ของอเมริก า, ห ร, ออาจจ Euro, หรืออาจจะเงินยูโรหรืออาจจะเงินบอลสเตอรดิงก็ได้แต่ถ้าก็สละได้หมดแล้วก็ไม่เท่าไหร่ ทา่านก็บรรลุมรควเป็นรหาหันอย่างที่เราทราบกันทีนี้ประเด็นอย่างหนึ่งที่รับสั่งว่าเพราะการใส่ใจทำที่ไม่ควรใส่ใจและไม่ใส่ใจทำที่ควรใส่ใจก็เป็นเหตุให้อาสะวะทั้งสามที่ยางไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้น แล้วก็สนใจไปที่สิ่งซึ่งเราใส่ใจแล้วไดยนำปัญหามาสู่เรานั่นก็คือแนวของความเคลือบแคลงสงสัยในการทั้งสามที่อยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ตลอดนะครับเมื่อเราจะถามปัญหากันเมื่อไหรในเกีย่ยวกับศาสนาทำอาชีตก่อนมาเกิดในโลกนี้ แต่ชีวิตหลังจากตายไปในโลกนี้แต่การมุนว่นในสังขารรับความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนเป็นต้นมันจะมีการถามกันได้ตลอดโดยจนถึงก็สร้างอาชีพหมอดูหรือพวกทำวิธีรีตลองต่างๆให้โดยจะเรียนก้าวหน้าพอสมควรนะบางคนที่ บุคคลจะไม่ใส่ใจโดยไม่แยบขายดังนี้นั่นก็คือใส่ใจโดยไม่แยบขายนะฮถามว่าในอลีตรการนานไกลเราได้เคยเกิดมาแล้วหรือไม่หรือว่าเรายังไม่ได้เคยเกิดมาแล้วถ้าเราเกิดเราเคยเกิดเป็นอะไรเราเคยเกิดเป็นอย่างไรเราได้เคยเกิดเป็นอะไรมาแล้ว ทั้งห้าข้อนี่แต่ละข้อเนี่ยก็ยุ่งทุกทีะเพราะอะไรเพราะแม้ความรู้ระดับยานทำให้ตลอดสายเนี่ยจะสมมติว่าคนคนหนึ่งลึกชาติได้สักร้อยชาติย้อนหลังไปได้ร้อยชาติมันก็มีปัญหาแล้วไปเข้าใจว่าชาติทั้งหลายในยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะจบ เร ก, กลายเป็นทิฏฐิที่เรียกว่าสังสารสุธทธิคือหมุนไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็ยุติการหมุนหรือบางครั้งบางคราวในชาตินั้นแหละอาจจะเห็นอะไรที่ไม่ปกติก็จะเกิดสภาวะช่างงานขึ้นภายในจิตเช่นภิกษุรูปหนึ่งได้มันลุ กูเป็นวาสานตุญานเป็นลำดับแล้วก็ทำให้ร ล, ลึกถึงคุณอุปการที่มาอุบาสิกามีต่อท่านในการส่งเสริมสนับสนุนท่านจนได้บรรุมักผลเนี่ยแต่ตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุหรอกบรรลุญาณก็เกิดคิดขึ้นมาว่าอุบาสิกาเนี่เคยมีอุปการะคุณเรามาก่อนหรือเปล่าก็ดูในภพชาติต่างๆจากหนึ่งชาติย้อนหลังไปเนี่ยดูเรื่อยไป เป็นะว่าอุบาสิกาเนเกี่ยวข้องผูกพันกับท่านเป็นพันยากับสามีบ้างเป็นอพ่อกับลูกบ้างเป็นลูกกับแม่บ้างเป็นที่กับน้องบ้างเป็นเพื่อนกันบ้างเป็นญาติกันบ้างเป็นลุงป้าเป็นเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาบ้างอะไรต่างเกี่ยวข้องกันมาตลอดแต่ในชาติที่เก้าสิบเก้าเนี่ยอุบาสิกาเป็นพันยาของท่านแล้วก็ครบชู้แล้วก็รูปมือกับชู้นีนฆ่าท่านตาย ท่า น, นอยู่ต้นที่เลยอุบาสิกานี้ทํากรรมหนักสิอุบาสิกาท่านเป็นพระนาคามีท่านตามจิตไปดูแล้วก็เห็นว่าไปติดอยู่ตรงนั้นก็ท่านก็มองไปในชาติที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยก็ไปเห็นว่าในชาติที่หนึ่งร้อยนั้นท่านได้ฉละชีวิตคือช่วยสามีของท่านซึ่งก็คือที่มาเป็นภิกษุรูปนั้นในปัจจุบัน ท่านก็นก็ซิบบอกว่าให้มองต่อไปพอท่านระลึกต่อไปก็เห็นวาริกาสละชีวิตแต่แกท่านเกิดธรรมปีติก็รรวดเดียวก็ระลึกชาติได้เพราะนปรญหาการระลึกชาติได้จึงไม่ใช่ข้อยุติเสมอไปนะมันอาจจะเกิดนิจฉาทิฏฐิขึ้นมาก็ได้ จย่างแม้แต่ลทัทธินับถือพระเจ้าผู้สร้างโลกเนี่ยมันก็เกิดมาจากการมองเห็นชาติก่อนที่จํากัดของมหาพรหมท่านหนึ่งแล้วก็เผยแพร่ความคิดของท่านเนี่ยให้แก่โลกเป็นทํานองว่าท่านรู้อดีตการก็กลายเป็นความคิดเรื่องพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาหรือว่าอาจจะไปใส่ใจในเรื่องอนาคตว่า เราจะเกิดหรือหรือว่าเราจะเราจะเกิดเป็นอะไรหรือว่าเราจะไม่เกิดหรือเราจะเกิดเป็นอย่างไรเราจะเกิดเป็นอะไรแล้วก็จะเป็นอะไรอีกสงสัยต่อไปเราจะเกิดอีกไ e, like ้มจะเกิดอีกชาติต <im caffeine> ่อไปจะเป็นยังไงชาติต่อไปจะเป็นยังไงทีนี้ในแง่ของความเป็นจริงเช่นสมมุติว่า นายก็ตายมีคนรู้ว่าเขาจะไปเกิดในทีนนทนท่นั้นที่นี้ที่โน้นแต่ว่าหลังจากเขาตายจากชาตินั้นต่อไปจะเกิดอป็นที่ไหนเนี่ยมันพูดยากแหละเพราะว่ากรรมที่จะนำไปสู่การเกิดในภพที่สองเนี่ยยังไม่ได้ทำบางอย่างนยังไม่ได้ทำแล้วก่อนจะดับจิตนี้เขาจะดับไปจิตยังไงก็ไม่มีใครรู้ แคนจะคล่องใจสงสัยไปเรื่อยๆโดยไม่นึกถึงความจริงว่าถ้าถึงอย่างนั้นแล้วก็ตอบอยากแล้วถ้าคิดโดยอุบายวิธีที่ไม่แยบคายก็อาจจะคิดว่าชีวิตขาดสูงก็ได้ประขาดสูงก็ไม่กลัว บ, บาปกลัวกรรมหรือมองไปเช่นเห็นว่าต่อไปเราจะเป็นมนุษย์ตาจากมนุษย์เป็นมนุษย์ตาจากมนุษย์เป็นมนุษย์ตาจากมนุษย์เป็นมนุษย์ไปเรื่อยๆอ่ะสังขารทั้งหลายเที่ยง คนราตาจากอะไรก็เกิดเป็นอย่างนั้นเอาเป็นสตร а т ิ г ี่ะนั้นคือให้สังเกตว่าปัญญาไม่แหลมคมพอแม้เราจะเลิกระดึกถูกในจุดหนึ่งแต่อาจจะผิดในจุดต่อไปได้หรือบังทีก็เกิดสงสัยขึ้นในปัจจุบันว่าเราเป็นหรือหรือว่าเราไม่เป็นไม่ได้เป็น เราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาเกิดมาจากไหนหนอเราจะไปที่ไหนหนอพอมาถึงชาติปัจจุบันเนี่ยเราเกิดส ง, งสัยในยสามชาติไลยสงสัยชาติก่อนสงสัยชาติปัจจุบันสงสัยชาติต่อไปคําถามในแนวเนีย่ยจะปรากฏในหมู่พุทธศาสนกิกชนอยู่มากถ้าเปิดให้มีการถามปัญหา ไม่ว่าคนจะมีวุธิภาวะระดับใดก็ตามในทางคดีโลกส่วนหนึ่งแล้วจะค่องใจสงสัยในเรื่องหลนี้เพราะในตรงนี้พระพุทธเจ้าจริงรับสั่งว่าไม่ยอมไม่ยอมใส่ใจโดยไม่แยบขายในสิ่งซึ่งคนก็สงสัยกันอยู่ สงสัยนี่เป็นอาการของอาวิชาที่ค่อนข้างเข้มนะฮะยในโสบันณติการไม่ถึงกับหมดอวิชาหรอกแต่วิชามันจางเพราะว่าเป็นปัญญาสิกขาทีนี้รับสั่งต่อไปว่าเมื่อเขาใส่ใจอยู่โดยบายอันไม่แยบขายเจตนี้ทิฏฐิคือความมิดหกอย่างยันใดยังหนึ่งจะเกิดขึ้น คือความเห็นอย่างเป็นจริงเป็นจังอย่างมั่นคงของผู้นั้นย่อมเกิดขึ้นว่าอัตราคือตัวตนเขาเรามีอยู่ะเห็นว่าเราเคยเกิดมาในชาติก่อนๆเห็นว่าเราเกิดมาในชาติปัจจุบันแล้วก็เห็นได้ว่าเราจะเกิดในอนาคตก็คิดว่าอัตราตัวตวนในถาวรแท้แทยังอยู่ในการเดินทางไกลก็เข้าไปในแนวของเทวัญยมุมโดยเฉพาะแนวของสัสตตตทิฏฐิคือความเห็นว่าโลกจริง จะเรื่องความเห็นอย่างนี้คนจะไม่ทําความดีและละความชั่วเพราะไม่ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรคนเราตาจากอะไรก็เกิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็เกิดเป็นอย่างนั้นต่อๆไปเลยไม่รู้จะทําความดีไปทําอะไรอย่างที่สองความเห็นอย่างเป็นจริงเป็นจั ง, อ ย, ง, งอย่างมั่นคงของผู้นั้นย่อมเกิดขึ้นว่าอัตาของเราไม่มี คือถ้าเราหาคำตอบไม่ได้หรือว่าเกิดเห็นความเปลี่ยนแปลงในสังสารวัติทั้งในชาติก่อนๆแล้วก็ชาติต่อๆไปตอลอดทึงในชาติปจุบันในสุขก็อาจจะเข้าใจว่าอัตตาตัวๆไม่มีแลาก็กลายเป็นนักทิกาฐิจิตเย็นไม่มีบัจยาปฏิเสธทั้งกรรมทั้งสังสารวัติทั้ง พระญาณของพระพุทธเจา้าหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะออกมาในแนวที่ว่าความเห็นอย่างเป็นจริงเป็นจังอย่างมั่นคงของผู้นั้นย่อมเกิดขึ้นว่าเราย่อมจำอัตราได้ด้วยอัตรานี้เช่นอนุรึกษศาสตร์ในปงังฟางก่อนเนี่ยเข้าใจว่าเกิดสงสัยขึ้นมาเอ๊ะอะไรเป็นตัวระลึกละ่ะก็แสดงว่าอัตราเนี่ยมันมีอยู่ในอนดีตและมันจามันเองได้ ต า, ลาเยลยจริงเลยความเห็นก็ออกมาเจรยงเลยหรือความเห็นอย่างเป็นจริงเป็นจั ง, จงอย่างมั่นคงของผู้นั้นต้องเกิดขึ้นว่าเราย่อมจำหน้า ต, ตาคือสิ่งไม่ใช่ตัวตนได้ด้วยอัตานิหมายความมีปัญญาเกิดขึ้นระดับหนึ่งมองไม่เห็นเป็นตัวตนเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยเอแต่มารู้ได้งไง เออเพราะเรามีอัตตาเป็นตัวจำในเรื่องโดนนอยูนะตกลงว่าอัตราบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเกิดยุ่งอีกแล้วทีนี้นยอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าในพระมชาลสูตรพระสูตรแรกของทีคนิกายนีย่จะพูดเรื่องที่เที่ยวสิบสองประการมีความสลับซับซ้อนละเอียด ในความถ้าเราจะเรียนให้เข้าใจเนี่ยหมู่ร้องไม่ใหญ่แล้วก็ต้องมีกระดานเขียนหรือมีอะไรนะแผ่นใสน อ, อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อแยกออกไปชัดเจนแล้วค่อยๆสอนค่อยๆพูดค่อยๆทำความเข้าใจกันแต่พอจริงแล้วก็ทำความเข้าใจไม่ได้เพราะทั้งหมดมันเกิดมาจากาวิชา เข้มข้นมากหรือเข้มข้นน้อยเท่า น, นั้นเองแต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยเราวินิจฉัยอะไรไม่ได้ดูบางทีความเห็นอย่างเป็นจริงอย่างมั่นคงของผู้นั้นย่อมเกิดขึ้นว่าเราย่อมจำอัตตาได้ด้วยอนัตตานี่เองที่เราลึกชาติได้เข้มเราลึกจากอะไรคิดไปคิดมาก็เราลึกได้จากอนัตตาจะกลายเป็นความเห็นอีกพวกหนึ่ง นกลายเป็นอัตนาตาเนี่ยเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนหรือไม่อย่างงั้นก็จะเกิดความเห็นว่าอัตตาคือตัวตนของเราเป็นผู้รู้เป็นผู้พูดย่อมเสวยผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วในทีนน่นั้นๆอัตตาของเรานั่นแหละเป็นของจิ้ยงยังยืดไม่แปรผันจะ ต, ตั้งอยู่อย่างนั้นเสมอด้วยสิ่งของคงทนทั้งหลายอัตตาเลยเช้งอย่างนี้ อตาเที่ยงแทแ้แน่นอนเป็นผู้เดินทางไกลทำหน้าที่เสวยสุขเสวยทุกสสารพัดก็อยู่ที่อาาตาตัวนี้นั่นก็กลายเป็นพวกแบบเทวนิย ม, มนะเทวนิยมรับสั่งว่าน้แลพิสุทั้งหลายชื่อว่าทิฏฐิคตะคือตัวทิฏฐิ ชืทิฏฐิกานะคือการถือยึดถือด้วยทิฏฐิทิฏฐิกันตาราคือทางกันดานคือทิฏฐิทิฏฐิวิสุทิกะคือความยกย้อนแห่งทิฏฐิทิฏฐิวิพันธิตะความพันผวนแห่งทิฏฐิแล้ทิฏฐิสังโยชนะคือเครื่องผูกคือทิฏฐิทีนี้่ข้อเดียวนะือคือไม่ต้องเอาหลายข้อหรอก เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยโดยลองสังเกตว่าโลกเคยประสบความพิบัติรุนแรงเช่นเมื่อเกิดแระดิคมนิขึ้นมาเนี่ยคนตายเนี่ยก็เป็นร้อยๆล้านนั่นนะทั้เพราะอะไรอะ่ระระดิกรรมวิบัติความเห็นว่าวิบัติเป็นทิฏฐิที่ประเภทว่า ทางกันดานคือจิดจิตหรือความยอกย้อนของจิดจิตถึงแม้แต่ในสงครามโลกครั้งที่สองที่ากัะตายเยอะเหมือนกันเราทำความเข้าใจศึกษาไปจะสามา่อจะพบเห็นว่ามันก็คือขึ้นมาจากทิตจิตหรือความเห็นที่ชี้ชัดลงไปเลยวกฝ่ายหนึ่งเป็นศรูจะต้องเห็นค่าทำลายล้าง แล้วไม่มีบาปมีกรรมอะไรกีับการฆ่าคนเรานั้นอย่างในงานที่เกี่ยวกับกองทัพญี่ปุ่นที่บุกเข้าไปในนานกิงแล้วก็ฆ่าคนจีนโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยหรือโคดทารุณเนเราดูก็ขนาดว่าลองเสียยุติยาแตกพมา่าทํายังไงกับคนไทยแล้ผู้หญิงท้องแก่ก็ทำยังไง คนทั่วไปก็ทำยางไงเด็กๆก็ทำยางี้นั่นก็คือเป็นทิฐิเป็นความเห็นผิดที่แรงและจิตใจถูกยอมด้วยความรู้สึกปฏิเสธบุญบาสนะปฏิเสธบุญปฏิเสษบาปเลยเพราะเราเห็นว่าความวิบัติในโลกมนุษย์เนี่ยจริงๆมันก็มีสามส3 4เรื่องท่านเอง คือศีลนิบัติมีการล่วงละเมิดบทบัญญัติของบ้านเมืองเป็นต้นกันจน ร, สรสนนัสมรรัายสมมติว่าในอำเภอจากอำเภอหนึ่งไม่ต้องเอากรุงเทพเหรอกหรือแม้แต่สักหมู่บ้านแห่งหนึ่งคนเกิดมีความเห็นวิบัติแล้วพระทิฏิกก็วิบัติ มันจะโปล้ปลนค่าข่มขืนระทุสร้ายทำลายทรัพย์สินกันป่นปี้หมดเลยหรือที่ท่านเคยรายงานเหตุการณ์ที่นิวยอร์กไฟดับหลายสิบปีมขขาแล้วช่วงขณะสั้นๆเจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยแต่คนไม่มีความเคารพในกฎหมายคนกลายเป็นโจรไปปล้นไปชุบฆ่าไป ทุกปีบ้านเรือนห้องกระจกทั้งหลายไปยึดทรัพย์สีเงินทองเข้ามาั้่มาเกิดจะศีลวิบัติแต่อย่าลืมมาที่ิตมันวิบัติด้วยแล้วก็อาจจะละวิบัติคือความประพฤติมันวิบัติจะสมมติว่าคนไม่ใส่ใจในความถูกความชอบความควรเนี่ยออกมาละวาะกลางท้องถนนเนี่ย าถาจุดเล็กๆ ก, ก็ได้ไม่เอากรุงเทพนะจุดเล็กๆ ก, ก็ได้ก็ปวดมาแล้วอาชีววิบัติมันจะมีการขอรับชัางโกงกินหลอกลวงล่อลวขูดรีบต่างๆสารพัดเลยอันที่จิคือความเห็นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่อันนั้นมะเกิดมาจากมิจฉาทิจิคือความเห็นในทางที่จิง ผิดก็ผิดกันไปเลยอันตรายจะเกิดขึด้นมาเดี๋ยวนี้ข้อตีหน้าห่วงใหญ่คือเหตุการณ์ในบ้านเมืองคือข้าวความของความเห็นผิดมองเฉพาะเพื่อตัวเองอย่างใดอย่างหนึง่งมีการเรียกร้องสิทธิพิเศษอะไรต่างๆจนถึงก็ขนาดว่าทำผิดไม่ต้องผิดอนะเพื่อสมานฉันกัน คนผิดไม่ต้องรับโทษแต่ว่าคนที่ไม่ผิดนี่ต้องรับโทษเพระ้นคนถูกฆ่าตายรายวันตายไปเลยไม่ต้องไปยุ่งยางนี้คล้ายๆจะแก้ปัญหาได้แต่คอยดูก็แล้วกันถ้าแก้ปัญหาอย่างนี้ปัญหาอย่างอื่นที่ใหญ่กว่านี้จะเกิดขึ้นเพราะมันเรื่องดีความเห็นผิล้ว เป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงนะอย่าลืมมาเรื่องตันหามานะตทิจิเนี่ยอันตรายใหญ่หลวงขนนะแต่ละข้อเนี่ยไม่ใช่ทุกข้อหรอกแต่ว่าเวลาเกิดก็เกิดด้วยกันนี่นะเวลเกิดก็เกิดด้วยกันแต่ว่ามันจะเริ่มต้นในข้อไหนก็ได้จะจากนั้นก็รับสั่งว่าผู้ตุชนผู้มีได้สดับแล้วถูกเครื่องผูกคือทิจิผูกมัดแล้ว เรากล่าวว่าเขาย่อมไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไหความทุกข์กายความทุกข์ใจความขัอแคลนใจไม่พ้นไปจากทุกได้หรือประเด็นเดียวนะและนอกนั้นเป็นผลกระทบชิงกันเป็นแถวเลยเป็นะระลอกขึ้นมาเลยเกิดมาจากมิจฉาทิฐิที่ผูกมัดระดึงจิตใจของบุคคลเหล่านั้น เมื่อเราลองสังเกตว่าทิตินี้จะปรากฏอยู่ในที่ทุกแห่งองธรรมะที่ส่งแสดงแต่เรียกชื่ อ, อย่างไงนั้นก็อีกเรืเ่องหนึ่งถ้าขาดตัวสมาธิจิตถือปัญญาที่เห็นชอบแล้วก็จะมีปัญหาที่ติดตามมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายที่สาวกผู้ได้สดับแล้วผู้เห็นพระยะเจ้ า, จาฉลาดในธรรมของพระอริยเ้า แล้วการแนะนำดีแล้วในธรรมของพระริยเจ้าผู้เป็นสัตบุรุษฉลาดในรับการแนะนำดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษย่อมรู้ธรรมที่ควรใส่ใจและไม่ควรใส่ใจมเมื่อไปที่นนี้เขาย่อมใส่ใจในธรรมที่ควรใส่ใจและย่อมไม่ใส่ใจในธรรมที่ไม่ควรใส่ใจใส่ใจไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรไปใส่ใจทำอะไรแล้วก็เป็นเรื่องแปลกนะฮะ อย่างที่วัดเนี่ยไม่อยู่บ่อยอย่ที่วัดนีหมาเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เท่าไหร่แล้วนั่นลดลงไปเข้าใจว่ากทอมอจะมาจับไปรักเลี้ยงดูไวทไ้ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ยังมีหมาเหา่าหมาฟัดกันอยู่หรืดเดือนเที่ยงคืนก็มีตลอดแต่ถ้าเราใส่ใจมันนอนไม่หลับถ้าไม่ใส่ใจ ม, มันก็มีอะไรก็ต่างคนต่างอยู่ หูของมาใกล้าปากหมาทั้งเยอะมันเหา่ามันไม่หนวกหูหูเราอยู่ใกล้ปากมันทั้งเยอะเรื่องอะไรเราจะหนวกก็ไม่ใส่ใจเราใส่ใจแล้วไม่เกิดประโยชน์ในเรื่องนี้เราจะเห็นว่าอย่างสภาพแวดล้อมเนี่ยคือคนบางคนก็มีปัญหาว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเมาเหล้าอารวาดเลยส่งเสียงหนวกหูเขาเครียดมากเขาอยู่ไม่ไหว ย้ายบ้านไปที่ไหนก็เจอแต่คนเหล่านี้เพื่อใจนั้นที่จริงเราแก้ได้สองตอนคือตอนแรกเนี่ยต้องสืบเสาะสก่อนดูซิบริเวณนั้นบ้านใครจากบ้านนั้นไปบ้านใครจากบ้านนั้นบ้านใครก็ดูให้รอบทิศเดีวค่อยตัดสินใจไปช่า บ, บ้านไปอยู่อาศัยในที่นั้นหรือว่า เมื่อเข้าไปอยู่แล้วจะพัฒนาผุไปอยู่แล้วผมแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ไม่ใส่ใจไม่สนใจสางคนดังอยู่ไม่สนใจในความชั่วร้ายของอ e ีกฝ่ายหนึ่งแต่อาจจะสนใจในความทุกข์ยากเดือดร้อนของอ e ีกฝ่ายหนึ่งในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านก็ช่วยเหลือบรรเท่าทุกกันแก้ไขกัน มันก็ไม่ได้เกิดกุศลได้เยอะเรอยู่ที่วิธีคิดรับสั่งว่าเขาย่อมใส่ใจในธรรมที่ไม่ควรใส่ใจชนิดไหนเรา ก, กลับมาที่เดิมนะฮะหมายความว่าใส่ใจเรื่องอะไรแล้วอาสวะทั้งสามมันเกิดเนียมันก็ไม่ใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นเหลือสั่งว่าเขาย่อมไม่ใส่ใจในธรรมที่ควรใส่ใจชนิดไหน คือเขายังไม่ใส่ใจในธรรมที่เมื่อใส่ใจแล้วอันสะวะดังกล่าวที่ยังไม่เกิดจะไม่เกิดที่เกิดแล้วจะเสื่อมไปอันนี้ที่จริงก็ควรใส่ใจแต่พอดีก็ไม่ควรใส่ใจอยานั้นก็มาสรุปมาสรุปไปเห็นว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยอย่างที่พูดอยู่เสมอนะเพราะว่ามันเป็นความจริงที่อยู่เป็นอยู่อย่างนั้น โลทั้งปวงม่เป็นอริยสัจแม้แต่โลกุตระกุศลก็เป็นอริยสัจเพันจึงไม่มีอะไรหลุดพ้นไปจากอริยสัจได้เพราะนัข้อที่ควรใส่ใจก็คือว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นี่เป็นความดับทุกข์นี่เป็นข้อปฏิบัติถึงซึ่งความรับทุกข์แล้วก็จช้โครงสร้างตัวนี้เป็นเป็นแม่บท นี่คือปัญหานี่คือส theory, อาเหตุแห่งปัญหานี่คือความรับแห่งปัญหานี่คือ mystery, ข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความรับแห่งปัญหานี่คือความไม่รู้นี่คือเหตุเกิดของความไม่รู้นี่คือความรู้นี่คือหลักการวิธีการทิยาะพัฒนาความรู้ขึ้นมาเราก็มองได้ตลอดโดยมองจากโครงสร้างของอริยสัตว์ใช่โครงสร้างอยสัตว์นี่เป็น เล้วก็เรียงลำดับปัญหาสาเหตุของปัญหาความไม่มีปัญหาหลักการวิติการในการแก้ปัญหาและสั่งว่าเมื่อบุคคลนั้นใส่ใจโดยแยบคาอย่างนี้ย่อมละสังโยชน์คือกิเลสเป็นเครื่องผูกสามอย่างได้เป็นการทรงรับประกันผลเบื้องต้นคือสดาปฏิมักสดาปฏิพุทธเราสังโยติทรงยกมานั้นก็คือยก สังโยชน์สามข้อแรกคือส ก, กายธิติความเห็นเป็นเหตุมีตัวมีตนเป็นตัวเป็นตนตถือตัวถือตนถือถืออัตตาจริงแท้ถาวรยั่งีืนของตัวเองแล้วไปจ่ายไปจ่ายออกไปในขันตางหเนี่ยงองขันตางเป็นตัวตนที่ยึดโยงกันอยู่ในสี่สุด เช่นมองรูปเป็นตนต น, ตนเป็นรูปรูปมีในตนต น, ตนมีในรูปบเวทนาก็มองอย่างนั้นเนี่ยสี่ห้าก็ยี่สิบเป็นสักกายะที่ยี่สิบเรื่องใหญ่เลยนะฮะเรื่องใหญ่ที่ละเนียดละใหม่มากถ้าปัญญาไม่แหลมคมพอแล้วมองไม่ออกล่ะความต่างระหว่างตนเป็นรูปรูปเป็นตนนี่ก็ยุง่งน่ะหรือรูปมีในเอ่อตนมีในรูปรูปมีในตนก็ยุง่งละคิดยากละ ต่ในความเป็จริงแล้วเป็นอย่างนั้นคล้ายๆกับเป็นงานถึงขั้นวิเคราะห์วิจัยระดับสุดท้ายเครื่องม้เครื่องมือต้องสมบูรณ์แตเ่เครื่องมือยังไม่สมบูรณ์เนี่ก็ทาไม่ได้วิจิกรศาคือความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในแปลเรื่องใหญ่ใหญ่ คือเพื่อแปร่งสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจสิกขาแล้วเื่อแปร่งสงสัยในอดีตในอนาคตทั้งอดีตอนาคตในกฎของปัจจัยาการเรื่องใหญ่ละเราจะเห็นว่าพุทธศาสนิกชนเราเนี่ยทําไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าสักข้อเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้ตลอดจะาจากระจัดความเรื่อแปร่งสงสัยในอีกเ็ดข้อได้เอง แต่ส่วนมากเราจะรวนที่พระพุทธเจ้าที่ประวัติของพระพุทธเจ้าบางคนก็ไปยึดติดจนพระพุทธเจ้าเป็นหน้าตาตัวตนทวารไปเลยก็ยุ่งเหมือนกันบางคนยึดติดว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราจะเห็นว่าที่จริงำลำรงอยู่โดยพระคุณนะ แต่ว่าที่เป็นรูปประคันใอะไรต่างๆนี่เป็นขันต่างๆเนี่ยมันไม่มีเทานั้นเองที น, นี้การต่อไปคือศีลปพิปธรรมการถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดด้วยข้อปฏิบัติที่ปักใจฝังใจในแค่อนข้างขรังค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์แนวนี้จะมีอาการของอุปาทานอยู่ด้วย อยู่ยติดในลักษณะผูกโยงนะว่าจะเหตุเกิดเหตุเกิดอย่างนี้ขึ้นมาถ้าไม่ทำอย่างนี้จะเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาเอาสมมุติบาคนเชื่อแล้วก็ไปทำตามต่อมาสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นนะหมอก็เข้าไปทักทักเอาเลยบอกวันนี้ดีนะที่ได้สะดอกเคราะเอาไว้ถ้าไม่สะดอกเคราะเอาไว้อาจจะถึงตายก็ได้พอไม่เกิด วันนี้เห็นไหมว่าถ้าไม่สะดอกเคราะหเนี่ยมันต้องเกิดหมอเลยเป็นจ้ บ, บุญในคุณหมดเลยทุกตอนเลยออกมาเป็นยังไงเขาก็เป็นเจ บ, บุญในคุณเราะเพราะนั่นคออย่างนี้ที่จริงก็ก่อนหน้ากลัวงานบางอย่างเนี่ยคือชาวบ้านไปหมองสิ่งที่จริงมีความโ้มเอียงที่น่ากลัว เราดูระยะสั้นเนี่ยคล้ายๆกับเข้าไปมีส่วนร่วมในการแบกรับต่อปัญหาสังคมแต่ว่าถามว่างานนี้เป็นภารกิจของใครเช่นสมมติว่าพระช่วยบำบัดโรคเอกบำบัดยาเสพติดในโทษพระเปลรียนแพทย์มาจากไหถแต่รักษาเขาหายนี่มันเป็นไรเรา รักษาก็ตายทังไงเอาได้ยังไงว่าที่ก็ตายนั้นไม่ใช่เพราะการให้ยาผิดหรือไปเร่งความตายเขาพราะนั้นพระเจ้าจึงถือว่าพวกนี้เป็นเวทกรรมเป็นมิจฉาบรรณิสาเป็นการเล่นชีพเป็นการเล่งชีพเป็นมิจฉาชีพนะเป็นอันเทศนาคือการแสวงหาที่ไม่เหมาะไม่ควรเป็นบาปสมาจารคือการประพฤติเป็นบาปแต่เราก็พบข่าวมีหนังสือพิมพ์เขาสรุปดี พระที่ทำอย่างนี้กันมากผนลุดท้ายเราก็เอาทหารไปพัฒนาในที่ต่างๆก็ได้สถานการณ์ปกติเดี๋ยวพยายามน่าศึกือเนื้อ ใ, ใต้ขึ้นมาอย่างเอาทหารไปทําไปพัฒนาตรงนั้นตรงนี้ตรงโ น, น้นอยู่ในทันยังไงถ้าสึกรลกข้ามาลุกข้นมาในทันยังไงคือภารกิจเฉพาะตัวเนี่ยสาคัญ คนเราไม่จําเป็นจะต้องทำเป็นทุกอย่างพระไปทําหน้าที่ของหมอเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของพระไม่เรื่องของหมอคือเสียงต่ออาบาติแพระเสียงต่ออาบัติเยอที่ด้ว เ, เนะเงานของพระจริงๆเนี่ยมันมากจนถ้าเราจะทำมันะฮะถ้าเราจะทําแล้วมันก็ทํากันไม่หวาดไม่ไหวแต่พอเราเกิดสับสนในชีวิต ไคทำธุระที่ไม่ใช่ธุระแล้วก็ทอดทิ้งธุระที่เป็นธุระในสุดแล้วก็ไม่ได้สาระเพราะไม่ได้ทำธุระตามภาระหน้าที่ของตัวเองทนี้อาสวะอีกประเภทหนึ่งนเนี่ยผมเน้นที่เรื่องเดียวคือการสำรวมระหว่างเราอาจจะเรียกว่าอินทรีย์สมบัต จะสำรวมระหวังตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คงสะพัดการุมข้างนอกสะพัดรูปเสียงกลิ่นรสผลป ร, ร, ปรภธรรมอารมณ์จากข้างนอกแตะทำยังไงว่าไม่ควบคุมเอาไว้ทุกคุมจิตนะจ ร, จริงจิตเนะี่ยถูกควบคุมแต่ว่าท่านบอกว่าให้สำรวมที่ตา อย่าดูอย่าฟังอย่าดูอย่าลิ้มอย่าชิมอย่าจับต้องจริงๆใจมันอยู่นึกก็ได้นะใจจิตบรรยากาศก็ได้คนเรานอนในห้องนี่อาจจะคิดได้เกิดราคะก็ได้เกิดโลภะก็ได้เกิดโทสะก็ไ ด, เ ด, ได้เกิดโมหะก็ได้แล้กิเมันอยู่กับจิตแล้วแต่ถ้าทําได้สองอย่างก็ดีหมายความหลีกเว้นให้ห่างไกลจากอารมณ์เหล่านั้นประกันเอง หรือเมื่อสัมผัสกับอารมณ์เหล่านั้นทางประสาททั้งห้าเนี่ยก็ <int> มีสติสัมปชัญญะระลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์กํากัดจิตไม่เกิดความยินดียินร้ายนั้นวิธีหน <S <s แล้วก็ถือรูปก็สักเทวโรเสียง <s> สักเทวโเสียงกลิ่นก็สักเทวโกลิ่นนั้นแน่นึ่ถือว่าเห็นก็สักเทวโรเห็นได้ยินก็สักเทวโรได้ยินได้ทราบก็สักเทวโรทราบได้รู้ก็สักเทวโร ไม่นำมาปรุงคิดไม่นำมาคิดปรุงต่อไปหรือถ้าใช้ปัญญาพิจารณานะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเราก็าจจะใช้ปัญญาพิจารณาเห็นสภาวะความจริงของสิ่งหลนั้นจะถ่ายถอนผ่อนคลายบรรเา่าความกำลังความเพื่อเพลินความยึดติดออกไปแต่บางครั้งใจมันก็เด็น เะื่อนยึดมดมันไม่จาเป็นจะต้องมีอารมณ์กระทบมันเอาธรรมารมที่อยู่ภายในจิตเนี่ยมันเหนียวมันอาจจะยึดโยงอยู่กับการทั้งสามก็ได้ลดรรถึงสิ่งที่ตนเคยสัมผัสในอดีตที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ แล้วก็มาคอยค้าปรารถนาที่จะได้ที่จะมีจะเป็นในอนาคตในปัจจุบันแต่ยังไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็ขอให้ได้ในอนาคตรยการเดียวนิดเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้จากเดียวนิดตัวเนี้ถ้ากลับไปในข้อแรกประเด็นแรกก็คือโยนิสุนิติการหรืออายนิสุปนิติการมันก็ดูที่ว่า ถ้าใส่ใจแล้วธรรมะที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูดมากิ่งขึ้นก็ใส่ใจใส่ใจไปแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเพิ่มพูดมากิขึ้นก็ไม่ใส่ใจหรือใส่ใจไปแล้วความดีเอ่ความชั่อที่ยังไม่เกิดไม่เกิดที่ที่เกิดแล้วจะดับไปก็ใส่ใจเราตกลงว่าพอปริมาณปัญญาเขาเพิ่มขึ้นไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร แต่อยู่ที่เราคิดยังไงเราพิจารณาอย่างไงเราเห็นยังไงเราเข้าใจยังไงแล้วก็พยายามที่จะทำจิตใจของตัวเองให้กิเลสมันจางไปคลายไปมันเผาไปลดละจนถึงก็เลิกไปรับสั่งว่าภิกษุเ น, น, นี่ยทำในนี้พิจารณาดูแยกขายแล้วเป็นผู้สมบูรณ์ร่งอินทรีย์ สติตาหูจะมึนกายแล้วก็ใจซึ่งเมื่อไม่สํารวมแล้วอสุวะและกิเลสที่ทําความยุ่งยากเดือดร้อนก็จะพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อสังรวมแล้วอาสุวะและกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วทําความเดือดร้อนความยุ่งยากก็จะไม่มีหอนี้เป็นการตัดตั้งแต่ตอนต้นทั้งฟังทั้งหลายคงถ้าเคยอ่านในมาสติปัฏฐานสะตร คงจะเคยพบพิสุงแสดงโดยพิสดารนนในสัมมาในมารยาสัจปปะว่าโดยการเกิดของสมุทยัยตรงนีว่าสมุทยัยกิดตัณหาสามอาการอาจจะเกิดที่อายาตนาภายในอายาตนาภายนอกเกิดที่วิญญาตเกิดที่สัมผัสเกิดที่เวทนาเกิดที่ตัณหาเกิดที่วิตกเกิดที่วิจา ร, ใใรเกิดตรงไหนก็ได้ แล้วก็ตั้งอยู่จากที่ไหนก็ได้นะอันแสดงว่าคล้ายๆกับข้าศึกมันรุกเข้ามาเราสามารถสกัดได้ตั้งหลายจุดที่แม่เข้ามาแต่ถ้าเราไม่ยอมสกัดจนเขาเข้ามารุกถึงบ้านแล้วเนี่ยถ้าไม่อาจขจัดทำลายเขาได้เขาก็ทำลายเราอนุญาตมันก็ง ม, มีลักษณะเช่นเดีวยวกัน นั่นแนวคุณสภาสวรสังวระสูตรเนี่ยมันครอบนะครครอบคลุมหลักการปฏิบัติทั้งหลายแต่ถ้าเราพูดง่ายๆนะฮะจะเห็นว่าเป็นการละ บ, บาปบำเพ็ญบุญนั่นเองเพียงแต่ว่าสรงยกขึ้นมาทั้งสองข้อเมื่อสิ่งนี้มีเนี่ยมันมีปัญหาจะแก้ไข ย, ยังไงทีนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะขจัดปัญหาได้ทำยังไงจะเกิดจริง มันก็จะส่งแสดงเป็นหมวดหมวดนี่ก็ว่ามาได้สองหมวดนะฮะก็คือเป็นการละอาสวะด้วยการทําไว้ในใจโดยบายวิธีที่แยบขายหรือไม่ทําไว้ในใจโดยบายวิธีที่แยบขายแนวที่สองก็คือเป็นแนวที่ใช้การสํารวจระวังอินทียทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกาใจไม่เกิดความยินดียินได้แต่ละข้อเนี่ย ทรหนา้าที่ของตัวเองในจุดต้นีจะเชื่อมโยงกันเองในจุดตอนตลายและคอาจะอิงอาศัยกันอะไกันก็เป็นพลังแห่งกุศลธรรมที่จะทำลายขาจัดความรุนแรงของบรรดาสรรพกิเลสออกไปจากจิตใจแั้วฟังทัหลายสิ่งธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้คอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบูรณธรรม ยัมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดูทั่วกันสวัสดี